เวลาที่เรารเอาเวทนาเป็นวิหารธรรมนะเราจะรู้หมดเลยรู้ทั้งกายรู้ทั้งเวทนารู้ทั้งจิตนะไม่ว่าเราทำกรรมฐานอะไรนะถ้าทำถูกต้องเราก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้ทั้งรูปรู้ทั้งหนามไม่ใช่รู้อันเดียวเพ่อคราแล้วที่ที่ทเออกรมาที่ท่านท่านจะไปถามหลวงปู่สิมไหมคะ <c oughs> ไม่ทราบว่าถ้าถ้าพบอย่างนั้นแล้วปฏิบัติยังไง <c oughs>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 จิตที่แอบไปค like. ิดเนี like, thinking, ่ยชอบแอบไปคิดแวบแวบแวบไปเรื่อยๆจิตไหลไปคิดแล้วให้รีบรู้ทันไวๆนะฝึกตรงนี้ให้กันบ้านแล้วนะให้ทำนะกลับมมาสัการกลับมากลับมมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็มาส่งกันบ้านตื่นเต้นมากก็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 มันเป็นแค่ต้นทางตื่นขึ้นมานะตื่นบ่อยๆนะตื่นบ่อยๆได้เพราะอะไรเพราะว่าหลับบ่อยๆถ้าหลับหนึ่งครั้งก็ตื่นหนึ่งครั้งใช่ไหมหลงไป10ครั้ ง, งก็คือรู้สึกขึ้นมา10ครั้งหลงบ่อยๆแล้วก็รู้สึกขึ้นมาพอรู้สึกก็เรียกว่ารู้สึกตัวบ่อยจิตไหลไปในความคิดหนึ่งนาทีรู้สึกแล้วว่าหลงไปคิดต่อมา10วินาทีก็รู้แล้วว่าหลงไปคิดต่อมา2วินาทีก็รู้แล้ว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 พาคุณแม่มาครั้งที่สองนะคะให้หลวงพ่อเมตตาช่วยสอนคุณแม่ด้วยะค่ะไหนเขายอมเปล่ายอมยอมเหรอคุณแม่ยกมืออยู่ข้างหลังหานั่นแม่เหรอยังเด็กอยู่เลยยมฝึกให้รู้สึกตัวไว้ก็พอแล้วนะอย่างรู้สึกไหมลูกเราแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากันฝึกอย่างนี้นะฝึกรู้ความรู้สึกไม่ต้องส่งไมไปหรอกนะไม่ต้องนะดูความรู้สึกของเรา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 ด้วยการคิดเอาเพราะว่ารู้ว่ากายกะบใจปัจจุบันไม่เหมือนกายกับใจเมื่อก่อนเนี่ยสมตามคิดเอานะสูงสุดมันไปได้แค่นี้เองนะไม่สามารถเจริญวิปัสนาคือไม่สามารถขึ้นสู่อุทย พ, พยญ า, ยาได้อุทย พ, พยัญญ า, ยานเนี่ยในการที่จิตมันหลุดจากความคิดแล้วมันมาเห็นความจริงของกายของใจว่าเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนะี่ยถึงจะเป็นวิปัสนาตัวแท้นะ